ตนนท่านเทศให้คารวฟังที่จังหวัดอุดรธานีวันที่14คม2555นะโมตัสสะพระวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต ส, สัมม า, า, า, าสัมพุทธัสสะอุทานสัมปทาอารักขาสัมปทาสมะชีวิตากัญญานามิตัตาตีบัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนวทางดำเนิแบบนแก่บรรดาท่านผู้อยู่ครองเดือนซึ่งมีกิจธุรมะมาก ยากที่จะดำเนินให้ตัวถึงและสม่ำเสมอเสมอโดยไม่ผิดพลาดได้เพราะการงานและสังคมความเกี่ยวข้องในระหว่างหมู่เพื่อนด้วยกันมีมากซึ่งอาจเหลือวิสัยที่จะทำให้ถูกต้องเสียทุกอย่างถ้าไม่ได้สำเนียกศึกษาไว้พอประมาณคนเราที่ทำตนให้พลาดท่าลงไปจนถึงกับตั้งตนไม่ได้ เนื่องจากการศึกษาน้อยหนึ่งมีการศึกษามากแต่ขาดการยับยั้งน้ำใจหนึ่งจึงเห็นสิ่งใดที่ตนชอบเลยเข้าใจว่าดีและเป็นประโยชน์ไปเสียทั้งนั้นจึงเป็นเหตุให้ทอดตนลงเป็นท่าแห่งความผิดนั้นๆโดยไม่รู้สึกตัวเพราะงานทุกชิ้นเพิงทราบว่าเป็นคู่มิตรกับเจ้าของงานคนชั่วก็เป็นมนุษย์เช่นเดียวกับสุภาพชนทั่วๆไป จึงยากที่จะสังเกตเลือกครบเท่าที่ควรถ้าผู้สนใจใกล้ต่อความดีจริงๆแล้วก็พอจะทราบได้ในลักษณะของงานที่ชั่วและคนเลวสามว่ามีต้นเหตุอันไม่ดีขึ้นกับรูปงานและตัวของเขาเองเช่นผลงานอันเกิดจากทุจริตมีการต้นสะดมเป็นต้นยอมทำปุณณ น, นั้นได้รับโทษมีประการต่างๆ เช่นติดคุกนอนอยู่ในเรือนจําจนกลายเป็นคนอับแสงไปเสียทั้งร่างมีแต่ความทุกข์ทรมานตลอดเวลาที่ตนยังเโหยผลกรรมนั้นอยู่เมื่อผลของความชั่วประกาศตัวให้เราทราบว่าไม่ดีตลอดกาลเช่นนี้แม้ผู้จะทําความชั่วจึงเริ่มประกาศตัวว่าจะเป็นคนผ่านในขณะเริ่มลงมือทําเพราะฉะนั้น คามชั่วกับคนชั่วจึงพอสังเกตได้ในขณะเดียวกันซึ่งพอจะหาทางหลีกเลี่ยงได้โดยมารยาทอันดีงามของเราตราที่บอกไว้ให้เราทราบว่าเขาเป็นคนชั่วก็ประทรับไว้กับกายวาจาใจของเขาอยู่แล้วในอันดับต่อไปที่เราจะควรทราบก่อนอื่นคือตัวเราผู้พร้อมอยู่แล้วที่จะทําทั้งความดีและความชั่วอยู่ทุกขณะ จึงควรสำ น, นึกและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีเพื่อดำเนินงานให้ได้ผลเท่าที่ควรแต่ต้นจนนวสานอย่างชีวิตหลักธรรมที่ท่านวางไวม้มีเพื่อประการคุณภาพของบุคคลไม่ให้ทอดตนลงสู่ความเหลวสามมีอยู่มากแต่จะยกมาแสดงพอเหมาะกับนิสัยของผู้ปฏิและกําลังของผู้ปฏิบัติมีดังนี้อิธีทูโต ปริศฐูโตยาเป็นคนชอบอวดรูปโฉมผนมวันในรูปร่างสวดทรงและความงามของตนจนเกินไวัและความพอดีจะเป็นคนทําลายศักดิ์ศรีเกีและความงามอันน้ําค่าคือคุณธรรมพานธุใจของตนให้ขาดสะบั้นลงทั้งขาดความนับถือของสังคมผู้ดีและไม่เป็นที่ไว้วางใจของครอบครัวตลอดผู้ปกครองทั่วๆไป และคนที่เป็นนักเลนหญิงและนักเลนชายยอมกลายเป็นคนเจ้าชู้ชอบสนุกสนานในทางการมารมณ์โดยไม่รู้สึกตัวที่กินอยู่ลับนอนไม่เป็นหลักสปนฐานชอบเที่ยวในสถานที่มีสิ่งโยโอยวนใจให้เพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาและชอบถือเอาที่เช่นนั้นเป็นที่กินอยู่รับนอนโดนลืมตัวลืมการงานบ้านเรือนหมดความสนใจใน ทางให้เกิดประโยชน์แก่ตนและครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาจะมีกินมีใช้หรือเจ็บไข้ไดป้ป่วยปวดหัวตัวร้อนแม้จะเป็นจะตายเขาไม่สนใจทั้งนั้นสมบัตินทองจะหมดไปเพราะสิ่งโยโสยวนใจยอมเป็นที่พอใจของเขาไม่เคยตั้งเรียกบวกรบในรายรับจ่ายของผนว่าได้มาและเสียไปเท่าไหร่และเสียไปเพราะเหตุใดบ้างคนเราลงได้เป็นนักเลงแล้ว ไม่ว่านักเลงอะไรต้องเป็นนักจ่ายขึ้นหน้าเสมอเพราะฉะนั้นการเป็นนักเลงจึงทำให้เสื่อมเสียนิสัยและโภกรัพย์ท่านจึงเรียกว่าอบายมุก ค, คือทางแห่งความเสื่อมสุราตูโตอย่าเป็นนักเลงดื่มสุราจะเป็นเหตุให้เสียทั้งทรัพย์และก่อการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเข้ามงากทำให้เกิดโรคถูกติขินนินทา หมดมณนยาอันดีงามและหมดยางอายต่อบุคคลทุกท่านหมดความเคารพในสถานที่และบุคคลควรเคารพทั้งทอนกําลัง ส, สติและปัญญาลงโดยลำดับความจริงธาุสุราในนักเลงสุราได้แพร่ไปในสถานที่ใดมากที่นั่นไม่ค่อยจะได้รับความสงบสุขแต่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆมกีการเทเลาะเมแวงฆ่าฟันดันแทง ถึงตายเพราะฤิ์จุลาก็มีมากดังปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวันแม้จะใช้นามแฝงว่าเป็นยาเสริมบ้าหรือยาผิดบ้าก็คงจะไม่ผิดเพราะคนดีๆมีสติสมบูรณ์เหล่านี้เองพอดื่มยาเสริมหรือยาผิดนี้เข้าไปพอสมควรแล้วไม่เพียงกีน่นาทีจะเห็นสมุนของความไม่มีสติเริ่มแสดงออกมาทันที เป็นอาการอวาดามั่งอวดมีอวดดีอวดฉลา ด, ดและอวดเริงกล้าสามารถจะปราดออกมาทางกายวาจาทันทีเพราะฤทธิสุราเข้าไปทำลายใจให้เสียหลักแล้วสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องรักษาใจต้องล้มละลายไปตามๆกัน ม, ม, มีแต่ฤทธิสุราเข้าควบคุมหัวใจท่าเดียวจึงสามารถฆ่าได้ทั้งโลกทั้งเมียและญาติมิตรสหายตลอดบิดามัดาผู้บังเกิดกล้าวผู้สาเลี้ยงดูมา แต่วันตกครอดทั้งนี้เพราะอํานาจนิดดีกรีมันสูงจุดฟ้าจนมองลงมาเห็นคนในเมืองมนุษย์ตัวเล็กเท่าหูไปถ้าฤทธิ์สุราได้ออกหน้าเนี่สังคมและวงงานในแล้วต้องกลายเป็นสังคมและวงงานที่แหลกเหลวไปทางนั้นไม่มีความเรียบร้อยสวยงามจะตั้งอยู่ได้เพราะฤทธิ์สุราเป็นเหตุเลยเพราะฉะนั้นนักประราชท่านเห็นภัย การเกิดจากพิทุลาว่าจะทําความเสียหายให้แก่มวลมนุษย์ผู้รู้เท่าไม่ถึงการจึงรีบห้ามไว้เสียแต่ต้นมือเพื่อผู้สนใจคลายต่อความเจริญเจตตนและส่วนรวมจะมีทางดิ้เรียงไปได้การเป็นคุณเจตตนและส่วนรวมทางด้านพระศาสนาท่านถือว่าเป็นโรคร้ายสามารถทําลายสิ่งที่มีคุณค่าในตัวมนุษย์ให้เสียไปเพราะสุราเป็นตัวก่อเหตุส่วนทางโลกผู้แสดงไม่ค่อยมีความฉลาดพอ จึงไม่สามารถนำมาแสดงให้ท่านผู้ฟังได้ทราบโดยละเอียดว่าการดื่มสุราได้ผลดีพอที่จะสามารถทําคนบ้าหรือคนชั่วให้กลายเป็นคนดีมีความฉลาดปราดเปื่องได้อย่างไรบ้างจึงขอให้เป็นหน้าที่ของท่านผู้เคยผ่านโลกมานานวินิจฉัยกันเองนี่เพียงกล่าวตามหลักธรรมที่ท่านว่าสุราถูโต เป็นความเสื่อมเสียนิสัยและโภกระสับของมวลมนุษย์ได้ทางหนึ่งเท่านั้นลักขาตัโตอย่าเป็นนักเลนเล่นการพนันก็การพนันมีหลายประเภทจนไม่สามารถจะนับอ่านได้เพราะผู้ชอบทั้งในทางนั้นผลิ์กันขึ้นทุกวันเราควรทําความเข้าใจอย่างง่ายๆว่าการหนังแพ้หวังชนะมีเงินทองหรือสิ่งของมีค่ามากหรือน้อยก็ตามเป็นเครื่องตอบแทนในความแพ้ความชนะนั้นๆ เรียกว่าการพนันทั้งนั้นผู้ชอบเล่นการพนันจนติดนิสัยแล้วต้องเป็นนักพิกแพลงทางกลมายาเพื่อล่อลวงทรัพย์จากคนอื่นมาเป็นของตนพูดฟังง่ายๆก็ว่านักควา้ากินหายกินนั่นเองเรียกว่าทําตนให้หมดความเชื่อถือไม่มีใครไว้วางใจได้เหมือนว่านอน สัตว์ประเภทนี้แม้ใครๆจะนํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานา น, านจนคุ้นและเชื่องต่อเจ้าของแลว้วก็ตามแต่จะประมาทนนใจในสัตว์ประเภทนี้ไม่ได้อยู่นั่นเองพอเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไร่ท้าได้โอกาสก็ทับถ้วยทับชามทุบต่อยหม้อข้าวหม้อแกลงัดฉีดเสื้อผ้าและทําลายสิ่งของมีค่าในบ้านตลอดจนเอาไฟเผาบ้านเพราเรือนให้ไม้แหลกเป็นจุนิจุนไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นสัตว์ประเภทนี้ใครจะนํามา เลี้ยงไว้ต้องผูกล่ามหรือขังไม้ในกรงจะปล่อยให้เป็นอิสระเหมือนสัตว์เพี่ยงอื่นๆย่อมไม่ได้และเป็นสัตว์อันไครใครไว้ใจไม่ได้ตลอดการด้วยนักเลงเล่นการพ น, นันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันโทษที่ตนได้รับย่อมมีการก่อเร้กับผู้แข่งขันหนึ่งเสียทรัพย์โดยปราศจากประโยชน์หนึ่งเสียนิสัยกลายเป็นคนอันใครใครไม่ชื่อถือหนึ่งชอบเป็นพโมนเพราะการพ น, นันเป็น ต้นเหตุหนึ่งทรัพย์มีมากน้อยย่อมหมดไปเพราะการพนันทรัพย์ที่ได้มาก็เพื่อการพนันแม้การแสดงหาทรัพย์ก็ชอบแสดงหาในทางที่ผิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีไม่ชอบแต่งงานด้วยเพราะกลัวจะเผาผลาญทรัพย์สินและพาเขาให้ล่มจมเพีอธิบายเพียงย่อๆพอเป็นคติเครื่องเตือนใจให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า การเป็นนักเลงเล่นการพนันเป็นความเสื่อมเสียทิศสัยและโพกทรัพย์ได้ทางหนึ่งป่าปะมิตรโตอยาครบคนชั่วเป็นมิตรและมีความสนิทสนองกับคนชั่วจนพาตัวให้เสียไปด้วยคําว่าคนชั่วมีหลายประเภทนับคนชั่วสามจำพวกที่กล่าวแล้วเขาต้นเขาด่วนพูดฟังง่ายๆก็คือคนในลักษณะสามจำพวกจัดเป็นปาปะมิตรคือเป็นบุคคลไม่ควรครบทั้งนั้น เขาเป็นคนประเภทอันไกลไม่พึงปรารถนาอยากคบค้าสมาคมไปหามาสู่นอกจากพวกของเขาเองเท่านั้นเป็นคนชอบเอาเปรียบเอรัดเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเช่นชอบลักขโมยดีชิงยิ่งลาวล้นจี้ตัดช่องย่องเบาแสวงหาอาชีพด้วยวิธีเอาน้ำยอกหัวใจคนอื่นเพื่อเอาเลือดหัวอกเข้ามาบำรุงขีตหรือครอบครัวของตนเป็นตน้น เรียกว่คนผดเข่าปัญญาเพราะไม่สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยการงานที่ชอบทำอันเกิดจากกำลังปิแย้งของตนเหมือนอย่างคนธรเมดีทั่วๆไปความเคลื่อนไหวของเขาทุกๆอาการฉันสอยเห็นว่าเป็นเสือร้ายอยู่ในตัวซึ่ง ใ, ใครๆจะปึงระวังเสมอโทษนําความเป็นพาลหรือพวกปาปะมิตการจะงอยู่รับนอนไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนคนธรรมดา มีการหลบหลีกซ่อนตัวอยู่เสมอและชอบเที่ยวหา ก, กินหรือเสดงหารายได้ในเวลากลางคืนยามดึกสงัดซึ่งเป็นเวลาพลเมืองดีหลับนอนสิ่งของที่ได้มาในทางผิดกฎหมายต้องเก็บซุ้มซ่อนในที่ลี้ลับเสมอขอมืองอย่างต้องเก็บซ่อนไว้นอกบ้านไม่ยอมเก็บไว้ในบริเวณบ้านเรือนเพราะกลัวจะเป็นภัยต่อตนเองหรือครอบครัว การกินอยู่แลบนอนของคนงพวกนี้ไม่มีความสบายเพราะต้องระวังภัยจากเจ้าของซรัพย์บ้างจากเจ้าหน้าที่บ้างซึ่งไม่ทราบว่าเขาจะมาทางไหนและเวลาใดปากและท้องมีความอิ่มหนอมชำรานด้วยอาหารประจัยที่เดิม า, ด, าด้วยการยื้อแย่งจากคนอื่นแต่ใจกลายเป็นไปพราลุกโนตัเองอยู่ตลอดเวลาหาความสบายเปิดเผยและอิสระเสรี ย, ย่างคนธรรมนาไม่ได้ชีวิตของคนชั่ว เป็นการเสี่ยมภัยอยู่ทุกขณะและไม่ทราบว่าคอากรบศีรัะจะขาดจากการตกไปเสียบอยู่บนหัวต่อหรือผูกแขวนอยู่บนกิ่งไม้ต้นไหนเวลาใดจึงจัดว่าเป็นภาระอันหนักสำหรับความเป็นอยู่ของคนพานเพระงงาะฉะนนคนผู้มุ่งความเป็นพลนุ่มวลีมีอิสระในความเป็นอยู่หลับนอนของตนและต้องการชีวิตให้มีคือมีแปร จึงไม่ควรควบปาประมิตรคือคนผ่านอย่างน้อยต้องหวังเอาเปียบพระรัฐจากเราจนได้ไม่ยอมขัดทุนเพราะการคบกับใครๆท่านจึงวรียกว่าเป็นทางเสื่อมเสียนิสัยและโภกระทรัได้อีกทางหนึ่งเมื่อเราเว้นจากความหายณะคือความคิดหายสี่อย่างให้แล้วเราควรตั้งตนอยู่ในธรรมของผู้เจริญด้วยทรั์คือทางเดินของเศรษฐีจะเป็นผู้เจริญด้วยทรั์มีเงินมากซึ่งเกิดจากกาลังปีแข็งของตน ตามพาศิเตียยกขึ้นไว้นักเบื้องตนนั้นว่าอุทาณสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหาทรัพย์ไม่ว่าทางใดนักก็เอาเบา้็รับไม่มีการตำหนิงานว่าหนักไปหรือมากไปเพราะเห็นว่างานคือบ่อกเกิดแห่งเงินหรือพ่อแม่ของเงินถ้าไม่มีงานเงินก็มีขึ้นมาไม่ได้ตั้งหน้าทางานเพื่อเงินจริงๆ ไม่ลบดีปีดงานตื่นแต่ดึกเรื่องทํางานแต่เช้าไม่ขี้เกียจนอนตื่นสายและไม่เบื่อหน่ายในงานที่จะบรนดาลเงินโดยถือว่าเมื่องานมากเงินก็มากไหลหลากมาทุกทิศทุกทางจึงกลายเป็นเจ้าของสมบัติขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่คือคุณแห่งความขยันมันประกอบการงานยอมบรรดาลคนให้เป็นเศรษฐีไม่เลือกนาว่าเป็นใครขอแต่ให้มีความขยันหมั่นประกอบการงาน อันเป็นเหมือนแม่เหล็กเท่านั้นยอมสามารถดึงดูดสมบัติมาได้ทุกประเภทแล่ข้าสู่เขียดแดนแห่งความขยันพรอมทนไปด้วยสมบัติเงินทองกองทรัพย์นึกอันใดก็ได้ตามใจหวังจนกลายเป็นเทพบรรดาลขึ้นมาเป็นเจ้าครองข้ัวใจของเศรษฐีผู้มีเงินมากให้ปรากฏเด่นในหมู่ชนพรามอนาจความขยันเป็นธรรมบรรดาลพระสิทธิข้อที่สองว่า อารักษสัมปทาเป็นผู้พร้อมแล้วที่จะในการเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรมนี่คือตู้เซฟเพื่อเก็บทรัพย์ที่ได้มาจากความขยันไม่ให้รั่วไหลออกไปโดยเฉดิบเพรา ะ, ะทรัพย์ที่ได้มาเมื่อไม่มีที่เก็บย่อมมีลาศอาจสูญหายไปได้ไม่ยอย่างยืนตามธรรมดาคนเราเมื่อมีเงินมากอาจดื่มตนถือว่าตนเนียมนา้า อาจจะจ่ายทรัพย์ให้หมดไปในวันเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นการเก็บรักษาจึงเป็นยาขนานอกีกแก้ความพุ่มเฟื่องชลุชล่ายความรู้จักประมาณเสียได้กลายเป็นคนประหยัดทรัพย์ขึ้นมาเมื่อมีธรรมรักษาสมบัติก็อบอุ่นไม่ร้อนโดนหาทางออกเพราะเรามียาแก้โรคพุ่มเฟื่อยเสียได้แต่ต้นมือจึงไม่กลายเป็นโรคระบาดสังหารทรัพย์เป็นมนมากให้เสียไปกลายเป็นคนมีสมบัติเป็นเครื่องประดับตัว และเป็นสง่าราศีแก่วงสุุลอีกด้วยข้อที่สามสมชีตาการดำเนินการคลองขีดไปด้วยความสม่ำเสมอไม่ให้ฝุดเคืองหรือฟุ่มเฟือยจนเกินไปเป็นผู้มีหลักเหตุผลในการเก็บรักษาและการจับจ่ายประจตนตลอดเวลาไม่เก็บรักษาจนตนเองเกิดความฝุดเคืองและจับจ่ายจนฟุ่มเฟือยเปนไปซึ่งเป็นการผิดทั้งสองาน พระทราบถือว่าเป็นคู่ชีวิตในคราวจําเป็นถ้าจําเป็นก็ต้องจ่ายเพื่อถ่ายตอนเอาความสะดวกมาสู่ตนเท่าที่เห็นสมควรตามความจําเป็นที่เกิดขึ้นมากหรือน้อยแต่จะเห็นจําเป็นเปรีเสียทุกอย่างก็เกินไปเพราะสมัยทุกวันนี้สิ่งที่จะผ่านมาเพื่อทําลายทรัพย์มีมากมายจนตามแก้ไม่ทันคนที่มีรายได้มากๆ แต่กลับจนก็เพราะความไม่รู้จักประมาณเห็นการจ่ายเป็นของดีเสียท่าเดียวไม่เห็นคุณค่าในการเก็บรักษาทรัพย์แม้จะมีมากกินถุนหายไปราวกับว่ามีปีกแท้จริงปีกหรือหางของทรัพย์ไม่มีแต่อาศัยปีกหางของความฟุ้งเฟอ้อเห่ห์ของความขะนองและความไม่รู้จักประมาณพาบินหนีไปทั้งวันทั้ง คือพาบินเข้าไปตามชามข้าวต้มขนมอาหารว่างบังโกโก้ ก, กาฟแฟบ้างตามโรงริเกละครบ้างตามโรงภา พ, พยนตร์บางตามรถยนต์รถไฟแท็กซี่บ้างเพื่อขับขี่ท่องเที่ยวได้วความขนองพร้อมตั้งเครื่องประดับเล็กๆ น, น้อยโดยไม่จำเป็นและแม้คำนึงถึงความ ลำบากมันจะเกิดมีแก่นตนในการข้างหน้าพาบินเข้าไปในโฮเต็นบ้างในครับที่ขับกล่มบำรุงบำเรเลอบ้างบินเที่ยวตาอากาศตามสถานที่ต่างๆบ้างทั้งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสถานเป็นสิ่งของนสถานที่ที่จะคอยสถานทรัพย์ให้เสียไปโดยไม่จําเป็นเมื่อตรองดูแล้วสิ่งของนึสถานที่ดังกล่าวถ้าใครลงได้ก้าวเข้าไปแล้วยอมเป็นเช่นกับโค ตัวก้าเข้าไปสู่โรงฆ่าสัตว์ไม่เห็นโคตัวใดจะรอดพ้นชีวิตออกมาได้นอกจากจะแปลสภาพเป็นเนื้อเป็นหนังของโคออกมาเท่านั้นบกคนผู้พาทรัพย์้าเข้าไปสู่สถานที่ดังกล่าวแล้วก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับโคเช่นั้นขณะที่ก้าเข้าไปทรัพย์ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าไปด้วยแต่ขากลับทรัพย์ไม่ก้าออกมาและกลับบ้านด้วยเพราะฉะนั้นลายจ่ายซึ่งเป็นปลายพระอำนาจความชินต่อนิสัย ของกูไม่รู้จักประมาณจึงทวีคูณขึ้นทุกวันไม่มีวันนุนละมาในสายได้ถูกฝึกในทางจับจ่ายจนพอตัวแล้วอะไรก็เลยเป็นของจำเป็นไปเสียทุกอย่างแม้รายได้ยังไม่ปรากฏแต่ความจาเป็นที่ทนวมท้นเข้ามาอันเป็นเชิงบังคับให้จ่ายก็จะประกาศท้าทยายแก่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซื้อเงินสดไม่ทันจาเป็นต้องซื้อเงินผ่อนนาข้าว ซื้อเชื่อเครดิตนาข้าวจริงๆก็ซื้อแกมโกงไปเลยทั้งนี้เนื่องจากพุทธนิสัยในทางฟุ่มเฟือยจนเกินตัวถูกเวลารับด้อยหรือหมดไปส่วนนิสัยที่เสียจึงนับบันทวีคูณและรบกวนให้เราได้รับความเดือดร้อนเมื่อหาให้ไม่ทันก็ผลักดันไปในทางมิชอบ นักข้าวก็เป็นโจรไปเลยทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่เพราะสะนิมเบื้องต้นก็เกิดจากเหล็กเล็กๆน้อยๆต่อไปก็กัดเหล็กให้เสียจนใช้การไม่ได้นอกจากนิสัยกายเป็นคุณกากลายเป็นเสียร้ายนอกจากนีสัยกลายเป็นเสือร้ายตัวศัตรูต่อทรัพย์แล้วยังมีทางถ่ายทอดให้คุลนบุตและคุณอสิดาลับไว้เป็นเครื่องสหานตนต่อไปอีกเป็นเวลานาน นี่คือโทษแห่งความไม่สำเนึกตู่จึงกลายเป็นนิสัยโรคระมาทติดต่อกันไปเรื่อยๆตลอดวงสกุลที่ทุกคนเราก่อนจะทำอะไรควรพิจารณาให้รอบคอบไม่เช่นนั้นจะเป็นทางให้ผู้อื่นเสียเพราะเราเป็นตัวอย่างไม่ดีอีกจำนวนมากเพราะผู้ใหญ่ทุกคนตองเป็นแบบพิมพ์ของเด็กได้ทุกๆวัยถ้าแบบพิมพ์ดี สิ่งสำเร็จรูปมาจากแบบพินก็จะ ก, กลายเป็นของดีไปตามๆกันเพราะฉะนั้นการจ่ายทรัพย์ไม่รู้จักประมาณและ ม, มีหลักเหตุผลข้ามประกันทรัพย์ที่มีอยู่จึงพร้อมที่จะจิบหายไปตามๆกันจนไม่มีอะไรเหลือเด็กที่เดินตามผู้ใหญ่ก็พอจะเสียทั้งทรัพย์และรับเอานิสัยไม่ดีไว้สังหารตนในอนาคตก็จะปรากฏแต่คนเสียหายไปทั่วโลกไม่มีใครจะฉล า, าด สามารถนําแผ่นดินเป็นทองทั้งแท่งไว้ได้เมื่อแผ่นดินท่าลมบ้านเมืองก็ล่มจมไปด้วยโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นสมาชิกีตาจึงเป็นธรรมค้าจุนโลกไม่ให้กลายเป็นโลกที่ล้มเหลวผู้ต้องการความเจริญในทรัพย์สินและบุตรที่ดาที่ดีจึงควรเชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าไว้ครองหัวใจอย่าเชื่อขี้เหล็กั้งหาความโลเลยยิ่งกว่าธรรมจะเป็นผู้เจริญด้วยทรัพย์และเป็นสง่าราศีจัดตนเองและวงศสกุลตลอดกาลนานบทที่สี กัญญาณมิตตาครบเพื่อนที่มีน้ำใจเป็นธรรมงามทั้งความประพฤติและน้ำใจได้คติจากเ้าเวลาเราเข้าคบค้าสมาคมใกล้ชิดจะติดต่อการงานหรือมีความจำเป็นเกิดขึ้นเขาช่วยเป็นพะระจัด ร, รมฉันพี่น้องร่วมมุทรเดียวกันไม่เห็นจะได้ทายเดียวยังกล้าสละเป็นสละตายเพื่อเราด้วยเมื่อความคราจําเป็นเกิดขึ้นมีเรียกว่ากัญญาณามิต แปลว่ามิตรที่งามหรือสหายผู้พึ่งเป็นพึ่งตายจริงๆในขณะเดียวกันเราก็ควรบำเพ็ญตัวให้เป็นอย่างเขาด้วยไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นมิตรที่เดียวซ้ำซึ่งคลใคยๆไม่ ป, ปรุงปรากรนนาอยากจะคบเช่นเดียวกันเพราะการครบมิตรมีน้ําใจกล้าเสียสนะต่อกันเป็นสาคัญมากในคราจําเป็นทั้งเขาทั้งเราไม่เช่นนั้นจะคบกันได้ไม่นานอาจเกิดความเบื่อหน่ายและหันหลังให้กันถ้าไม่กล้ามองหน้ากันตลอดสัมภายก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนคบมิตร ต้องสังเกตดูให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจึงตัดสินใจคบด้วยความซื่อสัตย์ความคิดวิจิตใจต่ อ, อกันจริงๆจะเป็นเพื่อนฝั่งเป็นปักตายกันได้ตลอดกาล น, นานตามที่ได้อธิบายมาส่วนศีธรรมเครื่องประดับกายปาจัใจให้งอกงามด้วยบุญกุศลอันเป็นผลให้เกิดสุขในภพนี้ในภพหน้านั้นเป็นของสําคัญยิ่งก็รากงาวยังกุศลนั่งขึ้นอยู่กับกระทาคือความเชื่อในสิ่งที่มีเหตุผล ไม่เชื่อแบบกลุ่มเดาซึ่งค้นหาหลักฐานไม่ได้พูดยังฟังง่ายๆก็คือเชื่อดีชั่วบุญบาปว่ามีจริงสุขทุกจริงเป็นผลให้สัตว์ผู้ทำกรรมเนื้อเฉไยทั่วหน้ากันและกรรมนั้นต้องเป็นของทุกคนซึ่งเกิดจากตนผู้ก่อเหตุไว้และเชื่อความตัดสู้ของพระพุทธเจ้าพระอำนาจแห่งพระกุศลที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ ความเชื่อเหล่านี้เรียกว่าเป็นรากเน้าแห่งกุศลสามารถยังผู้บำเพ็ญความดีมีทานศีลภาวนาเป็นต้นให้บำเพ็ญด้วยความเต็มใจเพราะความเชื่อเป็นแรงงานสำคัญเมื่อผู้มีความเชื่อฝังอยู่ในใจแน่วแม้จะให้ทานนักทาศีหรือภาวนาย่อมทำด้วยความเต็มใจฉะนั้นศรทาจึงเป็นกำลังเพิ่มความเพียรในกิจการต่างๆให้สำเร็จได้ตามใจหลังเพราะศรทาความเชื่อมั่นต่อความสาเร็จย่อมเป็นผู้นำของจิต กิจการต่างๆให้ถึงแดนแห่งความสมบูรณ์ได้ทุกกรณีศรัทธาจึงเปรียบเหมือนพืชอันดีที่จะควรบำรุงให้เจริญขึ้นด้วยธรรมอีกซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่กันและกันผลงานที่จะพิ่งได้รับย่อมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลาดับการบำเพ็ญทานในรักษาศีลตลอดปัญญาความเฉลาดรอบรู้ก็เป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นภาค พ, พื้นแห่งความเฉลี่ยดีแล้วจึงควรจะกล่าวได้ว่า คนทําดีจนปรากฏได้รับผลแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์ย่อมสืบเนื่องมาจากความเชื่อมั่นในงานและผลของงานที่ตนจะถึงได้รับแม้พระพุทธเจ้าและสาวกถึงทราบว่าเป็นเพื่อประเสริฐเลิศโลกได้เพราะศรัทธาเป็นราฐานเราท่านทั้งหลายผู้มุ่งวิบากสมบัติอันไพยบูรณ์ในเบื้องหน้าจงเริกบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เจริญขึ้นด้วยศรัทธาของตนก็จะได้ประสบผล เ็นที่คุณพอใจในที่ประทับปัตตุบันและสัมปราจะพบเบืองนาโดยไม่ต้องสงสัยนวัวาสาแห่งกฐามเทศนานี้ขอบรรดาท่านอูกฟังจงยังศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระศาสนาอุตสาหบำเพนตนด้วยศรัทธาในจิตที่ชอบประกอบความดีอยู่เนืองๆก็จะได้ปรากฏความเจริญรุ่งเรือง ในตนสิ้นกังวลภายในใจโดยนายที่ได้แสดงมาขอสมควรแก่เวลาข อ, อยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้เทวังก็มีดวยเพื่อกาละชะนี